บันีจ้จากแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุรชนทั้งหลายสืบต่อไปเรื่องของขันธ์ทั้งห้าที่ทรงใช้อีกคำหนึ่งว่าอุปาทานขันธ์ห้าซึ่งสรุปรวมเป็นชีวิตและสรรพสิ่งนั้นเป็นองค์ธรรมที่ทรงสั่งสอนไปในระดับต่างๆเป็นน็ตมาก ที่ได้กล่าวมาแล้วโดยลำดับนั้นเป็นการแสดงตามนัยยะแห่งมาสติปัฏฐานในสูตรที่ทรงสอนในบุคคลรู้ขันห้าแต่ละขันตามสภาพความเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นได้รู้ถึงเหตุเกิดของขันห้าแต่ละขันว่าขันห้าแต่ละขันนั้นเกิดขึ้นมาจากเหตุอะไร แล้วก็รู้ถึงความดับแห่งขันทั้งห้าเหล่านั้นซึ่งจะสอนโดยโครงสร้างเดียวกันเพราะความเป็นขันท่านั้นที่จริงมีความเกี่ยวเนื่องถึงกันดังนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปจึงกลายเป็นรูปกดนามหรือว่ากายกับจิตในส่วนที่เป็นรูปขันก็คือส่วนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือเรื่องของจิต เวทนาคือจิตที่ทําหน้าที่สวยอารมณ์เป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามไม่จะทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามสัญญาคือจิตที่ทําหน้าที่จําสิ่งที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสของเราก็คือสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็น เ, เป็นร้อนเป็นเย็นเป็นร้อนอ่อนแข็งวสังขาร น, นั้นก็คือกุศลธรรมอกุศลธรรมและอัพยาขันธธรรม คือธรมะที่ดีบ้างไม่ดีบ้างกลางกลางบ้างซึ่งคือขึ้นปรุงแต่งจิตของบุคคลปัญญาญก็คือสิ่งที่จิตจิตซึ่งทำหน้าที่รับอารมณ์ซึ่งผ่านมาทางประสาทสัมผัสนั้นเรียกว่าความรู้ทางตาความรู้ทางหูความรู้ทางจมกูกความรู้ทางลิ้นความรู้ทางกายและความรู้ทางใจแต่ตัวรู้จริงๆก็คงอยู่ที่ใจ ประสาทดิฆาประการนั้นเป็นประสาทที่ทำหน้าที่รับรู้แล้วแรงงานเข้ามาสู่จิตหรือใจใจจะเป็นตัวรู้ที่แท้จริงการทั้งค่าประการนี้ได้ทรงแสดงโดยรูปที่เป็นหยับหยาบเอาไว้อย่างปรากฏในทุกสัตว์ที่ทรงสอนให้บุคคลมองเห็นว่า ชาติความเกิดเป็นทุกข์ชราความแก่เป็นทุกข์ระนาความตายเป็นทุกข์ปณิพึงสังเกตว่าผู้เกิดก็ดีผู้แก่ก็ดีผู้ตายก็ดีนั่นเป็นรูปแต่ตัวความเกิดความแก่ความตายนั้นเป็นนามเพราะตัวทุกข์เหล่านั้นจึงกลายเป็นที่ประชุมของรูปนามอันเป็นที่ แห่งความทุกข์นานาประการซึ่งบังเกิดขึ้นที่ทรงสรุปรวมเป็นทุกส่วนที่จรเข้ามาที่เรียกว่าปกิณกทุกอย่างที่นำมาสวดสาทยายกันเป็นปกติทั่วไปแต่เป็นธรรมเทศนาที่เป็นเนื้อหาหลักซึ่งหมายความว่าตราบใดที่ยังมีอุปาทานขันอยู่จานั้นความทุกข์ในลักษณะเหล่านั้นก็จะบังเกิดขึ้น ไม่ว่าคนเรานันจะนับถือศาสนาอะไรหรือไม่นับถือศาสนาอะไรเขาตามเขาสำคัญนะเามีชีวิตเท่านั้นก็จะประสบปัญหาเหล่านี้ตัวมีข้อแม้ว่าหากเขายังมีอุปาทานคันอยู่คือยังมีจิตทยึดมัน่นถือมั่นในขันต่างห้าว่าเป็นของเราเป็นเราหรือเป็นตัวตนของเราอยู่ความทุกข์ก็จะบังเกิดขึ้น ความทุกส่วนที่เรียกว่าปะกินกาทุกคือทุกที่จอดมานั้นพ่งสังเกตว่าที่จริงเขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็นเป็นปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยโดยธรรมชาตินอกตัวเราแต่ใจเราที่มีความรู้สึกด้วยอำนาจของตัณหาบ้างด้วยอำนาจของทิฐิบ้างด้วยอำนาจของมานะบ้างเอาใจเราเข้าไปบวกเข้ากับเรื่องเหล่านั้น ยังขาดปัญญาที่รู้เห็นตามความเป็นจริงเช่นความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์ความเจ็บใจความขับแค้นใจที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนนั้นต่วนมากแล้วจะเกิดขึ้นจากปิยวิปโยคคือการพัดพรากสูญเสียการเสื่อมทําลายของคนของสัตว์ของสิ่งของอันเป็นที่รักจะเป็นคนจะเป็นสัตว์จะเป็นสิ่งของอันเป็นที่รักหรือแม้จะเป็นที่ชังก็ตาม ที่จริงแล้วก็เกิดขึ้นเขาดำรงอยู่ก็ เ, เสื่อมสลายไปตามเหตุปัจจัยของเขาตกากใจเราไม่ไปกําหนดด้วยอํานาจของความรักใคร่ผอใจเขาก็คงเป็นอย่างที่เขาเป็นมีปัจจัยให้เกิดเขาก็เกิดมีปัจจัยดำรงอยู่เขาก็ดำรงอยู่มีเหตุปัจจัยให้แตกดับเขาก็แตกดับซึ่งเกิดขึ้นอยู่ทุกขณะในส่วนต่างๆของโลก แต่ปัญหาที่น่าคิดก็คือว่าทําไมเราจึงไม่เดือดร้อนกับปัญหาเหล่านั้นบุคคลก็จะได้คําตอบว่าเพราะใจเราไม่ไปกําหนดว่าเป็นของเราว่าเป็นเราหรือเป็นตัวตนของเราที่จริงการพลาดพลาดสูญเสียของคนของสัตว์ของสิ่งของนั้นได้เกิดขึ้นอยู่ทุกขณะทั้งใกล้ตัวเราทั้งไกลตัวเราทั้งในประเทศแล้วก็นอกประเทศตลอดว่า สรุปว่าในสนากลในจักรวาลทั้งหลายนั้นแล้วก็มีอาการอย่างนี้อยู่เป็นธรรมดาเพียงแต่ว่าที่เกิดปัญหาก็คือใจไปกำหนดด้วยอำนาจของกิเลสนั่นเองแต่รู้สึกว่าเป็นของเราในแง่ที่เป็นความรักพะการพลาดพราสูญเสียบางเกิดขึ้นก็จะเกิดความโศก ค, ความราไ ร, รํำพันธ์ความทุกข์ความเสียใจความขับแค้นใจ แต่ในขณะเดียวกันหากว่ากำหนดเป็นของเราเหมือนกันได้ว่าเป็นศัตรูของเราก็จะกลายเป็นความชื่นชมยินดีความสะใจความสบายใจที่เห็นศัตรูประสบความพิบัติเดือดร้อนหรือความเป็นของเรากับความเป็นของบุคคลอื่นก็มีลักษณะอย่างนั้นคนที่เป็นในฐานะตำแหน่งต่างๆนั้นประสบความเสื่อมขึ้นมาในลักษณะต่างๆ กเกษียณไปตามระเบียบของราชการบ้างถูกถอดยศลดชั้นปลดตำแหน่งบ้างถูกกับไล่ห ล, ลูดไล่ออกจากราชการต้นแบบแต่เราถึงเปลี่ยนแปลงสถานะในด้านเ่า อ, อื่นซึ่งเกิดขึ้นในรูปที่เราไม่ปรารถนามันก็เกิดขึ้นแก่คนทั้งหลายอยู่ที่เป็นข่าวเป็นขาวเพียงแต่ว่า เราไม่มีความสุขความ ร, ำร่ำรวยรำพันความทุกข์ความใจใจความครับแค้นใจบังเกิดขึ้นเพราะใจเราไม่มีความรู้สึกว่าเป็นเราเมื่อเป็นคนอื่นความรู้สึกมันก่ อ, อกมาในแนวนั้นแต่คนนั้นเป็นที่รักเป็นที่สนิทสนมของเราเป็นญาติพี่น้องของเราเราก็เดือดร้อนแต่ถ้าเป็นศัตรูเราเราก็คงดีใจอยู่เหมือนเดิมความเห็นในั้านทิฏฐิก็เป็นเช่นเดียวกัน เพราะพวกเหล่านี้ทรงใช้คำว่าเป็นทุกข์ที่จรเข้ามาเราจะให้เกิดก็ได้จะไม่ให้เกิดก็ได้มันิีกับความแก่ความเจ็บความตายเพราะมันติดมาจากความเกิดมาเกิดมาแล้วต้องแก่เจ็บตายพวกนี้ท่านจึงเรียกว่าเป็นสภา ว, วะทุกข์คือทุกข์ตามสภาพของมันมันเป็นอย่างที่มันเป็นอย่างนั้นเอง พุทธะจะบังเกิดขึ้นหรือไม่บังเกิดขึ้นก็ตามมันเป็นธรรมทิจิคือตั้งอยู่ตามธรรมชาติของมันเป็นธรรมยามคืออยู่ภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาติจากการที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่เองทําให้เราเห็นว่าคนเราแม้มีอายุเท่ากันแต่เราแก่ไม่เท่ากันเราเจ็บไม่เท่ากันเราตายในวัยที่แตกต่างกัน ทำไมจึงเป็นเช่นั้นก็ขึ้นอยู่กับนิยามนิยามคืออุตุนิยามเกี่ยวข้องกับลักษณะทางผู้มีอากาศของบุคคลเตนนั้นเป็นกรรมนิยามเกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์เงื่อนไขของกรรมที่แต่ละคนกระทําไว้ไม่เหมือนกันคนบางคนทํากรรมที่เป็นเหตุอายุยืนเขาก็มีอายุยืนเป็นเหตุอายุสั้นเขาก็อายุสั้นเป็นเหตุผิวพรรณดีเขาก็ผิวพรรณดีเป็นเหตุผิวพรรณซางเขาก็ผิวพรรณซาง เป็นเหตุ้โรคมากเขาก็มีโรคมากเป็นเหตุให้โรคน้อยก็มีโรคน้อยเป็นต้นนั้นก็คือเรื่องของกรรมนิยามแล้วก็เป็นพืชพืชนิยามคือกฎเกณฑ์ตามกรรม โ, มโยนิคือกรรมเป็นกำเนิดของบุคคลนั้นกรรมที่มีหนะ้าที่ปรุงแต่งคนให้บังเกิดมาเป็นกุศลเรื่องกุศลแล้วมีอะไรยังอยู่เบื้องหลังที่อยู่เบื้องหลังนั้นเป็นกุศลเรื่องกุศลที่จะมาอุปธ ร, รรม ที่จะมาเบียดเบียนที่จะมาตัดรอนนั้นเป็นกรรมอะไรคนนี้ก็สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลแต่ทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นก็ตกอยู่ในธรรมมารยามคือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติธรรมดาแต่เป็นธรรมดาที่มีเครรลื่อนไขปัจจัยเหล่าอื่นเข้ามาสนับสนุนอยู่ด้วยเพราะนั้นทําให้ความแตกต่างได้เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลอยู่ทุกเรื่อง เราก็สังเกตได้ในเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายแม้แต่ความสุขความรำไรรำพันความทุกข์ความเสียใจความก้าวแค้นใจก็มีลักษณะอย่างกันมันขึ้นอยู่กับตัวกรรมนิยามคือเจตนาเป็นเครื่องกําหนดสถานะของบุคลคลเพืสังเกตว่าบุคคลนั้นเขามีมาก่อนเราไปกําหนดทีหลังหรือบางทีเราอยู่มาก่อนเขาเกิดมาเราก็กําหนด จึงเป็นลูกเป็นหลานจึงถือว่าเป็นคนที่เกิดมาในตอนนั้นเมื่อเธอเกิดมาก็ไปกําหนดในฐานะเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติพี่น้องก็มีความเกี่ยวข้องปูกพันมันเกิดขึ้นอุปาทานอาขารเหล่านี้ที่จริงเมื่อก่อนไม่มีแต่มีขึ้นเมื่อขันมันมีให้ยึดใจคนก็เข้าไปยึดในขันเหล่านั้นว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราทั้งกาว แม้แต่ความต้องการสิ่งอะไรแล้วไม่ได้ตามต้องการเป็นทุกข์หรือว่าการต้องพละดพลาดแก่สิ่งเป็นที่รักการต้องอยู่ร่วมกับคนที่เราไม่ชอบเป็นต้นแต่อย่างนั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นอยู่ขึ้นว่าเป็นเรื่องของการกําหนดด้วยจิตของบุคคลเป็นประการสงคัญแต่ถ้าหากว่ามีปัญญาเกิดรู้เท่าทันรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้ว มันจะไม่ถึงกับเสียศูนย์เพราะอะไรเพราะว่าสมมติว่าทุกคนปรารถนาอะไรแล้วได้ตามที่ตนต้องการกันทุกคนโลกก็อยู่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าภายในใจของมนุษย์นั้นมีตัณหาซึ่งมีลักษณะพร่องไม่รู้จักอิม่มไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักพอไม่รู้จักจุด เมื่อตั้งความปรารถนาอะไรเอาได้ตามต้องการเธอก็ตั้งความปรารถนาของเธอไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดเมื่อได้สนองความต้องการในแง่ของร่างกายแล้วมันจะเป็นการตั้งความปล่อยความปรารถนาเพื่อเสริมมาตาตัวเองให้ใ ห, ใหญ่มากขึ้นๆจะสมมติว่าตั้งความปรารถนาเป็นเงินเป็นทองที่หลั่งไหลลงมาได้มันก็ตอบสนองความต้องการของร่างกายได้ ในจำนวนไม่จำเป็นจะต้องมากอะไรเท่าไรแต่จะเกิดปัญหาความต้องการทางใจที่ไม่รู้จักอิม่มไม่รู้จักพอดังกล่าวเพรงงาะงั้นแม้จะตั้งความปรารถนาได้ต้องก็ตั้งแข่งสูงแข่งใหญ่แข่งกว้างแข่งยาวกันกองเงินกองทองหลดนั้นในสุดโลกก็จะอยู่ไม่ได้จะรกไปด้วยทองด้วยเงิน ดังนั้นถ้าหากว่าเกิดปัญญารู้เท่าทันตามความจริงมันเกิดขึ้นในจุดนั้นเตรียมใจรับรู้ถึงความจริงของธรรมชาติธรรมดาว่าสิ่งที่เราตั้งความปรารถนานั้นที่จริงแล้วเขาอยู่ในเงื่อนไขกฎเกณฑ์ของเขาเมื่อตั้งความปรารถนาไปแล้วอาจจะผิดหวังด้วยประการตั้งปร ก, ก็ได้อาจจะได้สักครึ่งสักกึ่งหนึ่งก็ได้อาจจะได้สมตามที่หวังก็ได้หรื อ, ออาจจะได้เกินที่หวังก็ได้ เราจะเห็นว่าถ้าตั้งใจไว้อย่างนั้นความยินดียินรายก็จะไม่เกิดขึ้นทั้งสองอย่างหมความวนาในกรณีที่ได้ได้ตามที่หวังหรือได้เกิดที่หวังตามปกติแล้วเพราะความไม่รู้เท่าทันถึงความจริงของเหตุปัจจัยแห่งสิ่งเหล่านั้นก็จะเกิดความชื่นโจมสมนัติหยกดีใจในการเฉลมิมฉลองกัน แต่พอได้ในรูปของการผิดหวังก็ได้สักครึ่งสักกึ่งก็จะเกิดความโธมนัตใจก็แหวงกลับเข้าสู่ธรรมะสองประการที่ทรงแสดงไว้ในมหาสติปัฏฐานที่เรียกว่าอภิชาคือความเพ่งเล็งโลภอยากได้เพิ่มขึ้นจากจุดที่ตัวได้แล้วเกิดโท่พนัตเสียใจครับแค้นใจโดยประลบจุดที่ตนผิดหวังก็ได้เพียงครึ่งหรือกึหนึ่งความทุกข์ก็จะบังเกิดขึ้นติดตามมาไปในจิตใจของบุคคลเราดังนั้น แต่ในจุดนี้เองหากว่ามีปัญญาเกิดรู้เท่าทันตามความเป็นจิตขึ้นมาดังกล่าวมันก็แบ่งความหวังไว้เพียงขวายละ25เปนตแตนั้นเองไม่ได้แบ่งไว้ทั้งไม่ได้ตั้งไว้ทั้งรเอพราะถ้าได้เกินที่หวังอีก75ก็อยู่ในจุดที่ผิดหวังก็ได้สักครึง่งสักกึ่งหรือได้ตามที่หวัง เราผิดหวังด้วยประการทั้งปวงแต่ยังมี7จซที่ยังมีความหวังอะไรกันอยู่ใจของบุคคลก็จะอยู่อย่างมีหลักมีเกณฑ์ไม่ถึงกับสุสียการทรงตัวแต่เวลากล่าวโดยสรุปในตอนสุดท้ายเมื่อทรงแสดงไว้เป็นอันมากแล้วก็มาสรุปไว้ในตอนสุดท้ายที่ว่าสังกิตเตนะปัญจุปทะปร ะ, ประขันทานะทุกขา การที่จิตไปยึดมั่นถือมั่นในสัตว์และในในขันทั้งห้านั่นเองเป็นความถุกเพรา ะ, ะชีวิตของบุคคลแต่ละคนจึงเป็นกองแห่งขันห้าคำว่าขันนั้นแปลว่ากองหรือหมวดหรือที่ประชุมหรือที่รวมเพราะว่ารูปก็ไม่มีอย่างเดียวเวทนาก็ไม่มีอย่างเดียวสัญญาก็ไม่มีอย่างเดียวสังขารก็ไม่มีอย่างเดียววิญ ญ, ญาณก็ไม่มีอย่างเดียว ม, มีมากก็มากองกองกองกองไว้ใน จิตสำนึกของบุคคลเอาก็จริงก็ไม่มีอะไรเป็นสาระแก่นสารอย่างที่ทราบกันแต่ประกาศปัญญาพิจารณารู้เท่าทันถึงความจริงใจของบุคคลก็จะมีความยึดมั่นอยู่ในกายสังขาร น, นี้เป็นส่วนใหญ่เมื่อความเปลี่ยนแปลงของกายสังขารมันเกิดขึ้นความทุกข์ความเดือดร้อนก็จะบังเกิดขึ้นติดตามมา แต่ถ้ามีปัญญารู้เท่าทันตามความเป็นจริงแล้วก็จะเกิดยอมรับปรับใจให้ทันตามเหตุการณ์ที่บังเกิดขึ้นที่รู้เห็นตามความเป็นจริงอากาศ ร, ร้อนก็รู้เห็นว่าร้อนเย็นก็รู้เห็นว่าเย็นดูแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาแต ร, รมดามากแต่พึงสังเกตว่าจากความรู้ว่าเย็นว่าร้อนนี่เอง จะนำไปสู่การแก้ปัญหาตามสมควรแก่กรณีของอากาศอากาศเยน็นอากาศหนาวควรจะปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะอยู่ได้จากความรู้นั้นก็ดึงเอาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเข้ามาเพื่อปกป้องคุ้งครองรักษาร่างกายของตนไว้อยู่ได้อากาศร้อนเกิดปัญญารู้เห็นทำความเป็นจริงว่าควรอยู่อย่างไรจึงจะสบายก็หาวิธีอยู่ให้อย่างสบาย ทำให้อยู่ได้ทั้งอากาศร้อนและอากาศหนาวแต่แม้แต่อากาศที่เป็นปกติจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะอย่างนั้นเมื่อเกี่ยวข้องกับอารมณ์ทั้งที่รักและเป็นเป็นที่ตั้งแห่งความรักและเป็นที่ตั้งแห่งความสังนั้นเป็นเรื่องแน่นอนเหลือเกินว่าเราต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นทุูตานาไม่ปฏิเสธการเกี่ยวข้อง ที่จริงสนุบสนุนการเกี่ยวข้องบางอย่างโดยทำไปเพียงแต่ว่าการเกี่ยวข้องนั้นจะต้องมีปัญญารู้เห็นถึงความจริงของสิ่งดอกนั้นเป็นการจับอสราพิษการเกี่ยวขอ้องอสราพิษการเกี่ยวขอ้องกับสัตว์ร้ายการเกี่ยวขอ้ อ, รรวของกับไฟหรือแม้การเดินในสะพานที่มีลักษณะเสีย อาการอย่างเดียวกันคือถ้ารู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองให้อยู่ในจุดที่เหมาะที่ควรคือได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นด้วยแล้วไม่เป็นอันตรายจากสิ่งนั้นด้วยปัญญาในแนวนี้จึงมีใช้ในที่ทั่ ว, วไปสามารถจะหยิบหยิบถวยอะไรขึ้นมาก็ได้เป็นอุปมาเป็นเครื่องเทียบเคียงไปดูศึกษาดูขันทั้งหลาย มันอย่างพระโบราณอาจารย์ในอดีตท่านที่เป็นรประเจ้าพุทธเจ้าเป็นพระหันท่านก็ไม่ได้เอาอะไรมาจากนอกโลกเป็นครูในการศึกษาอย่างก่อนสมัยพุทธกาลนั้นอารมณ์กรรมฐานเป็นด้นยังไม่มีโดยทั่มไปแต่มันมีอย่างที่มันมีคือไม่มีในรูปของกรรมฐาน ควรู้เจ้าทุกข์ก็ทรงเรียนมาจากสิ่งเหล่านั้นหาประโยชน์หาความจริงจากสิ่งเหล่านั้นมาโดยลา ด, ำดำับพอเรียนทั้งหมดจึงเป็นเรื่องที่มีอยู่เป็นอยู่แล้วโดยธรรมชาติคือสังเกตว่าสม บ, บุคคลผู้ขาดปัญญา ร, ร, รู้เห็นทำความเป็นจริงก็เป็นทางเกิดกิเลสเกิดทุกข์วัตถุนั้นเองอารมณ์นั้นเอง แต่ไปเจอกับท่านที่มีปัญญารู้เห็นดังความเป็นจริงก็เกิดสุขเกิดสงบ เ, เกิด เ, ดเยือกเย็นเพราะนั้นปัญญาจึงเป็นหลักสำคัญเป็นประทีปสองทางในการดำเนินชีวิตของบุคคลในดำเนินไปไ ป, ไปในทางที่ถูกที่ควรดันั้นบางครั้งท่านเห็นเพียงหยาดน้ำค้างที่ตกลงบนใบไม้พอตะวันเริ่มสายขึ้นมา อย่าทำกลางหลดนั้นก็จะเหือดแห้งไปเรื่อยๆดูไปอีกทีหนึ่งแห้งหมดแล้วถามว่าน้าไปไหนตอก็ถูกตอก็ถูกแสงแดดแผดเผาจนมาลายหายไปหมดสิ้นแล้วท่านก็น้อมเข้ามาหาตัวเองท่านได้น้อมก็มาหาคนที่รักท่านได้มองเน้อมไปหาทรัพย์สมบัติต่างๆที่หายไปแล้วที่กำลังครอบครองที่จะมันเกิดขึ้นในอากาศต่อไป ก็จะเห็นว่ามันมีลักษณะเช่นเดียกันนาค้างที่ตกลงบนไปป่าใบหญ้าใบไม้แต่นั้นเองในสุดแกก็จะเสื่อมสลายไปอาจจะไปก่อนเราเราไปก่อนแต่ไม่มีการอยู่ร่วมกันตลอดไปใจก็จะไม่เอาจริงเอาจังกับขันเราการห้าเหล่านั้นมากเกินไปหรือก็สิ่งเหล่านั้นมากเกินไป ในการมองคนมองสัตว์มองสิ่งของก็มีลักษณะอย่างนั้นเรื่องหน้าที่ก็คือเรื่องหน้าที่แต่ว่าทำยังไงมองอย่าอย่าไปแบกเอาไว้เรื่องของใครก็ให้เป็นเรื่องของคนนั้นเพราะลักษณะของอุเบกขาท่านสาธุชนทั้งหลายไปสังเกตว่าอุเบกขานั้นเป็นอาการปร่งตกปล่อยวางไม่แบก เมตตานั้นยังมีลักษณะอบอุ้มกรุณานั้นมีลักษณะประคับประคองคือยกขึ้นมายกขึ้นมามุติตานั้นมีลักษณะประคับประคองคือเขาทรงตัวอยู่ได้ดีแล้วเราก็ไปชื่นชมยินดีกับเขาเท่ า, านั้นอุเบกขานั้นเมื่อภารกิจที่เราจะใช้เมตตากรุณามุติตาไม่ได้เราก็ใช้อุเบกขา คือการาทำทใจมัธยัติอยู่เป็นกลางๆไม่ยินดียินร้ายเวลาไปเกี่ยวข้องกับเรื่องดอกนั้นกับคนกัตสัตว์ทั้งหลายที่ประสบความิบัติเพราะกรรมของเขาเองแล้วก็ต้องปรงโปคือปล่อยไม่แบกไม่โอบอุ้มไม่ช่วยยกไม่ช่วยประครับประคองเพราะมันทำไม่ได้ แต่ขืนทำก็ผิดกฎหมายผิดจริยธรรมแทนที่จะนำความสุขความสงบมาสู่บุคคลนั้นและตัวเราเองกลับนำความทุกข์มาให้แก่บุคคลทั้งสองข่ายซึ่งไม่ใช่ผลของการปฏิบัติธรรมผลของการปฏิบัติธรรมะจะต้องออกมาเป็นรูปความสุขแก่บุคคลทุกๆุข่ายนั้นในจุดนี้แหละท่านจึงสอนให้มองในแง่ก้องกลม การที่สวสาธยากันนั้นเองเพียงแต่ว่านำมาใช้เป็นหลักใจได้หรือไม่หรือแต่เราพูดกันง่ายๆว่ากรรมใดใครก่อคนนั้นก็รับกรรมไปก็จบเราเดือดร้อนไปก็เท่านั้นเองดีใจไปก็เท่านั้นเองไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรให้ได้ตีต่างว่าความดีใจความเสียใจของคนเกิดเปลี่ยนแปลงอะไรได้คงจะวุ่นอีกและ เพราะส่วนใดที่เขาชอบก็จะดีใจและสิ่งเหล่านั้นก็เกิดขึ้นส่วนใดเขาไม่ชอบก็จะเสียใจแล้วก็นึกทําให้พี่นาฏแล้วก็พี่นาฏไปโลกคงอยู่ไม่ได้เหมือนกันเพราะคงจะวุ่นวายกันเดือดร้อนกันเป็นการใหญ่เนื่องจา ก, กจิตใจของบุงคคลนั้นไม่ยินดีก็ยินได้ไอ้เรื่องเฉยๆปัญหายากอยู่แล้วไปเจอคนเข้าไม่รักก็ชังไม่ชังก็เฉยๆ อารมณ์ก็ยัมีอยู่สองสามทางแต่นี่เองนั้นการทําใจมัธยัติเป็นกลางมองในแง่ของความจริงที่ปรากฏว่าคนตั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมไปที่พึ่งอาศัยใครทํากรรมมาใไว้จะดีหรือชั่วก็ตามมันจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นมันก็มองกลับมาที่บุคคลซึ่งเราไม่ชอบ ที่ปรการอยู่ร่วมกับคนซึ่งเราไม่ชอบมันเป็นทุกข์จนเกิดเป็นอุปายาตหรือความขับแค้นใจความเกวี่ยวแข e c ใจความกรอบเกรียดนาภายในใจกัาล่ะทำไมจึงทําให้เราไม่ชอบเพราะเขาทําไม่ดีอาจจะประพฤติไม่ดีอาจจะพูดไม่ดีอาจจะกระทาไม่ดี เราก็ตั้งปัญหาถามว่าการกระทําเหล่านั้นของเขาเป็นกรรมไหมเป็นกรรมเป็นกุศลหรืออกุศลเป็นอกุศลมีผลเป็นสุขสุขหรือเป็นทุกข์ก็มีผลเป็นทุกข์ตั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้าใช่ไหมก็ต่อไปใช่สแสดงว่าคนเหล่านั้นขุดหลุมฝังตัวเขาเองแลเรื่องอะไรเราจะไปตามเขาไปโกรธด้วยไปด่าด้วยไปทะเลาะ ด, ด้วยไปอึดนาดขัดข้องด้วย ความคิดจันนั้นเป็นการสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองแต่ถ้าปัญญาเกิดรู้เท่าทันดังกล่าวขึ้นมาเราก็ปล่อยเป็นกรรมของก่าไปการต้องรู้สึกว่าอยู่ร่วมกับคนที่เราไม่ชอบมันก็บรรเทาเบาบางลงไปเพราะเป็นเรื่องกรรมใดใครก่อเขา ก, ก็รับกรรมไปทีนี้การพรัดพรากจากคนอันเป็นท่รักก็จะมีลักษณะอย่างนั้น คนเรามันก็เป็นไปตามกรรมของเขาไม่มีใครสามารถบังคับแข็งขืนเรื่องของกรรมได้แม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ไม่ได้ยกเว้นเป็นผู้ประเสริฐเลิศในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลอดิตกรรมได้จะต้องประสบผลของอดิตกรรมนั้นทั้งดีทั้งชั่วอยู่ตราบเท่าที่ประชุนมชีพของพระองค์ยังมีอยู่ จำนวนปัจจุบันก็กเรียกว่ามีหลักที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจอยู่ดังนั้นถ้าหากว่าบุคคลพยายามที่จะพัฒนาให้เกิดปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงในสิ่งต่างๆอยู่ได้เรื่อยๆก็จะมองในแง่กฎของกรรมดังกล่าวคือคนทีนเป็นที่รักของเราก็เป็นไปตามกรรมเขา คนที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นไปตามกรรมเขาเราก็อยู่อย่างที่เป็นไปตามกรรมของเราแน่นอนในส่วนที่ปฏิบัติช่วยเหลือกันนั้นเป็นการบำเพ็ญกุศลกรรมต่อกันผลที่เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อกันแต่ไม่ไปเล็งผลเลิศว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่าได้เป็นอย่างนี้อย่าได้เป็นอย่างอื่นเพราะจริงๆแล้วแม้ตัวเราเราก็บังคับไม่ได้ อย่างที่เราพระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเอาไว้ให้คนตรนึกักว่าการที่บุคคลทั้งหลายบนเพออยู่ว่าลูกของเราปัญญาสามีของเราญาติพี่น้องของเราทรัพย์สมบัติของเราโกวัวควายของเราเป็นต้นเอาก็จริงแล้วแม้แต่ตัวเรามันยังไม่เป็นของเรา สิ่งเหล่านั้นจะเป็นตัวตนของเราได้อย่างไงใจที่มีปัญญาเข้ากํากับอยู่เนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนกันเกี่ยวข้องกับสิ่งร้ายอย่างที่กล่าวแล้วเราเกี่ยวข้องได้โดยไม่มีภยัยแม้สิ่งนั้นจะเป็นภัยโดยสภาพของมันเกี่ยวข้องกับยาพิษเกี่ยวข้องกับไฟเกี่ยวข้องกับสารพิษเกี่ยวข้องอันตรายต่างๆ ตัวเขาเองก็มีภัยเมียนตราอยู่ในตัวเขาแต่ว่าเรามีปัญญารู้เท่าทันนะครับจริงก็จะคุ้มครองใจรักษาใจตัวเองไว้ได้ความยึดมั้นถือมั่นในสัตว์และสังขารทั้งหลายถึงแม้จะมีมากเราเห็นว่าภาษาวกของพระพุทธเจ้านั้นมีมากมายอะไรกันแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงเป็นทุกข์ในการบริหารหมู่คณะ ใไรพร ะ, ระองค์ไม่มีอุปท า, านเป็นเหตุจิตปัดถือมันท่านเหล่านั้นก็เป็นไปตามการรมของนั่นใครทำชั่วก็ทรงตำหนิใครทำดีก็ทรงยกย่องสรรเสริญตามต้องควรแก่การพฤติบัติของท่านเดียวกันต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสุอ